ตจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องทำงานเพื่อลดกิเลสโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่22พฤษภาคม2540ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติตารับฟังได้นะบัดนี้ ทันงานทันงานทั่วๆไปออคือทำงานนี่เราก็จะต้องรู้ว่าวาระสำคัญของวาระสำคัญอาตมาเดือนหนึ่งมาห น, หนึ่งเราก็ทำงานของเราอยู่ประจำทุกวันทุกวันแต่ว่าเดือนหนึ่งอาตมามาพบกันคุยกันก็จะพูดถึงนโยบายบ้างพูดถึงรายละเอียดอะไรกันบ้าง คนทำงานตั้งแต่ทาไปโด ย, ด ย, ดยแล้วก็ไม่ได้ฟังนโยบายมันไม่ได้ฟังรายละเอียดอะไรมันไม่ได้ฟังก็ไม่รู้แต่เป็นคนทํางานนะแต่ไม่รู้ส่วนคนที่ไม่ได้ทํานี่กลับรู้มันก็เลยขัดแย้งกันนี่แหละงานก็เลยคนทํางานก็ขัดแย้งกับคนที่ไม่ได้ทําจริงคนที่ไม่ได้ทํารู้อย่างที่อาตมาพูดแต่คนที่ทําไม่รู้อย่างอาตมาพูด แต่ก็ยืนยันยืนยัดว่าฉันทำฉันทาอย่ามายุ่งกับฉันแกไม่ได้ทำอาตมาก็เหนื่อยเหนื่อยที่พูดแล้วคนที่จะทำก็ไม่ฟังคนฟังก็ไม่ได้ทำพอไปบอกคนทำคนทำก็โกรธถือดีว่าฉันทำแกไม่ได้ทำแกอย่ามาพูดไอ้เรื่องนี้มันยากนะมันก็ไม่รู้จะทำไง ไอ้อัตามาเ น, นี่ซับซ้อนมากหลากหลายเห็นความสําคัญของอะไรสําคัญนี่เราจะต้องมีปัญญารู้ว่าความสําคัญในความสําคัญนี่มันซับซ้อนขนาดไหนอัตมาพูดแล้วเมื่อกี้นี่ว่าอัตมามาที่นี่เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งในวาระที่อัตมามาอัตมาก็มาพูดพูดพูดพู ด, พ ด, พ ด, พดมีนโยบายอะไรมีแนวอะไรก็ว่าไปในตอนที่มานี่แหละไอตอนไม่มามันก็ไม่ได้พูดหรอกทีนี้ก็รับฟังกันตอนนั้นแหละแต่เมื่อไม่มาฟังพลาดแล้วไปเห็นว่าสุงานสําคัญ แล้วก็ไม่มาฟังก็เอาแต่งานก็อาตมามามวันอีก27วันนึงก็ได้ทําละงานนะนะแต่ว่าเห็นสําคัญว่ามันจําเป็นนะต้องทำในสามวันนี้ก็ว่างไม่ได้โอ้อาตมาก็รู้สึกว่าขยันนะนะก็ขยันกันดีจริงๆอนะนะแต่ว่ามันไปยากมันขยันจริงๆอาตมานี่นะว่าฝึกควายนี่ก็จะต้องสอนมันเหมือนกันนะแต่ควายเนี่ยมันทํางานนะ แต่ก็ควายไม่ฟังเลยนี่อาตมาว่าฝึกไม่ได้เหมือนกันนะนะฝึกไม่ได้เมื่อกลายเป็นควายดื้อแล้วก็ไม่รู้เรื่องอาตมาก็จำน้นเหมือนกันว่ามันรู้จะทำยังไงนะทุกทีแทบจะสังเกตดูละตัวหลักๆตัวทำงานทำงานเนี่ยส่วนมากตัวพูดเก่งด้วยนะแล้วก็มีอิทธิพลในใ น, ในในในในในกลุ่มเลยนะอิทธิพลใ น, ในหมู่ใหญ่ด้วยนะ แทนที่จะว่าจะเกาะติดอาตมาบ้างถ้าเผื่อว่าเห็นว่าอาตมาเป็นผู้ที่เข้าใจนโยบายส่วนใหญ่นโยนโยบายหลักหรือว่าความเห็นหลักก็น่าจะมาฟังเกาะติดเลยแล้วก็เราก็จะทําอะไรมันก็จะเป็นไปเพราะว่ามันนโยบายด้วยว่าความเป็นไปเนี่ยสังขารมันไม่เที่ยงอะไรมันไม่เที่ยงเรามีข้อมูลใหม่ข้อมูลนั่นข้อมูลนี่มาอะไรจะอะไรต่างาานานาเนี่ยอ่ะมันก็ต้องต้องต้องปรับและปรับตัวแล้วบางอันปรับตัวจนกระทั่งถึงขั้นปรับเปลี่ยนแปลงเลย บางอันเลิกอันนึงไปเลยไอ้ที่ทำไปคิดว่าจะต้องทำนั่นเลิกเลยอย่างนี้เป็นต้นมันไวไอ้ยิ่งทุกวันนี้สังขารธรรมเนี่ยมันมันมันไม่เที่ยงมากมากสังขารธรรมทุกวันนี้ยิ่งไม่เที่ยงมากมเพราะว่ามันยุคสมัยจรวดยุคสมัยเลเซอร์ยุคสมัยเรียกว่ามันยุคสมัยของไฟฟ้าอะไรที่มันเร็วมากแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ มันไม่ใช่ช้าๆอื่ดๆอืัด ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆอะไรมันก็อย่างสมัยโบราณมันก็ยังจริงต้องเกาะติดต้องตามหน่อยหนึ่งที่อาตมาพูดนี่ม่ได้หมายความว่าตัวเองมาเบ่งหรือว่ามาทําเป็นยิ่งเป็นใหญ่อะไรหรอกแต่ว่าอยากจะให้มันเป็นหนึ่งเดียวอยากจะให้มันไม่มีความสูญเสียขัดแย้งต่างคนต่างคิดอาตมาก็เคารพในความคิดของแต่ละคนแต่ละคนก็เคารพเพราะฉะนั้นถ้ารวมกันอยู่แล้วได้พูดกันได้ฟังกัน ไปเสร็จแล้วเราเราก็ไปวิเคราะห์วิจัยกันแต่ละคนเสร็จแล้วก็มาเมื่อประชุมกันปรึกษาหารือเพื่อที่จะปรับอะไรต่าอก็ค่อยว่ากันมันก็จะเข้าเรื่องขคาราวกันแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ฟังเลยต่างคนต่างคิดต่างคนต่างรู้มัง่งไม่รู้มัง่งพอเวลาประชุมกันก็แบบโอ้ยาวแย่งกันไปแย่งกันมาเพราะว่าข้อมูลเราไม่ครบได้ข้อมูลคนเราก็พร่องกระแพ่งมันก็เลยเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะ งานเรายังเป็นงานรู้สึกว่ามันใช่ไม่ใ ง, งานเล็กๆกันนะงานหลายจุดด้วยนอกจากไม่เล็กแล้วยังมีหลากหลายหลายจุดหลายส่วนหลายอันเพรา ะ, ะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เป็นหนึ่งเดียวไม่พยายามรวมกันเป็นกลุ่มแกนลำดับที่มีตั้งแต่ต้นหัวนะมีหัวหรือมีต้นเนี่ยแล้วก็ขยับรองรๆๆ ล, ง, ล, ง, ล, ง, ลงไปเป็นลำดับที่ได้สัดส่วนมันก็จะสูญเสียแล้วก็จะขัดแยง้ง แล้วก็จะช้าหรือไม่ช้าจาน้นว่ามันจำเป็นจะต้องทำไปเพราะมันมันผิดพลาดเวลาทำไปโดยที่เรียกว่ายัางไม่ไ ม, ไม่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็ต้องมาจำน้นทำไปแล้วเห็นว่าโอ้เราก็ยิ่งจนจนทำไปแล้วก็เสียดายคงต้องยอมให้เป็นอย่างนั้นไปมันก็เลยไม่ได้ของดอีของที่จะได้แทนที่มันจะเข้าร่องเข้รอยอะไระอะไรดีมันก็จะฟุมฟม่มฟืมลุ่มหลวมอ่า ไอมารวมกันก็ดีแต่รวมกันก็จะต้องมีระบบมีวินัยหรือว่ามีระเบียบอะไรที่มันสอดคล้องที่มันเป็นไปตามที่มนุษย์ฉลาดฉลาดเขารู้กันแล้วนะไม่ใช่ว่าเราเองฉลาดฉันก็ไม่ต้องรับรู้อะไรไม่ต้องรวมกันไม่ต้องคุยกันไม่ได้ฟังกันไม่ต้องพูดกันทำดุยดุยไปเลยต่างคนต่างทำแไม่ต้องพูดลรอกพูดมากมันไม่ได้ทำเอาแต่อย่างเงี้ยพวกสายใจโตหลักๆเนี่ยนะเส็จแล้วปรเดี๋ยวมันก็ขัดแย้งกันเนี่ย ผลที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ที่เราเห็นเนกันก็ขัดแย้งกันนานขัดแย้งกันบ่อยขัดแย้งกันมากก็เพราะเหตุที่อัตมาว่านี่แหละมันเป็นความถือดีเ อ, อ็ข่ารู้นะข่ารู้นะอะไรนี้ไดหน่อยข้าก็รู้แล้วละแต่มันไม่ครบนะข่ารู้แล้วละแต่มันก็ไม่ครบ ม, มันไม่ครบมันก็ต้องไปขัดแย้งกันเพราะงั้นถึง ม, มีเหตุการณ์ที่ไม่ลงไม่ลงตัวหรือไม่ลงร่องลงรอยกันบ่อยเสมอๆเลยนนนินี น, น, น, น, นะ อะไรที่พูดไปนี่ก็ผููที่ฟังก็ได้ฟังอยู่เนี่ยนะส่วนส่วนที่มาฟังนี่ส่วนมากก็มาอยู่แล้วพูดไปแล้วพูดที่ไม่มาหรือพูดที่ไม่ได้ฟังก็ไม่ค่อยมาอยู่นั่นแหละก็ไม่ค่อยได้ฟังอยู่นั่นแหละก็ก็จ ะ, จะอาจจะมีผลบ้างตรงที่ว่าก็บางคนกล้าไปบอกไปกล่าวกันบ้างก็อาจจะมีผลไดน้นิดๆหน่นนนอยๆแต่ก็เขาไม่ได้บอกกันครบหรอกเขาไม่กล้าบอกอย่างเต็มเต็มที่เหมือนอย่างที่อาตมาพูดแน่นอน เพราะมันก็ไม่รู้อยู่นั่นแหล ะ, ะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกว่านี้นะอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตัวใครก็คิดของตัวใครใครๆก็ทำอย่างตัวใครคิดเราคิดว่าอย่างนี้ถูกแล้วดีแล้วเราก็ท่กันเราไปแล้วทุกคนก็เก่งๆดีๆอาตมาไม่ได้ว่าประชดนะจริงเป็นคนเก่งๆดีๆแต่ว่าเก่งๆดีๆที่มันไม่ได้ปรับ ความเข้าใจกันเนี่ยมันแย่งกันเก่งๆดีๆทั้งนั้นแล้วมันก็ไม่สอดคล้องมันไม่เป็นเอกีภาวะมันไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมันไม่เป็นหนึ่งเดียวที่สอดประสานกันเพราะยิ่งเก่งยิ่งไม่พูดกันยิ่งไม่ปรับกันนี่นะมันยิ่งแตกใหญ่เลยมันยิ่งต่างคนต่างเก่งต่างคิดดีๆทั้งนั้นแล้วยิ่งดีๆทั้งนั้นเลยมาชนกันแล้วเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรของใครกันแน่ต้องมาวิจัยกันละเอียดนะไอ้ดีๆด้วยกันเนี่ยเพราะอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีเออแล้วดีมมัันนจะตต้องงีีค่่่าาทก อันไหนควรก่อนอันไหนควรหลังมันดีด้วยกันอันนี้ชะลอก่อนอันนี้ชะลออันนี้ไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้ต่างต้องมาปรับกันจริงๆเลยดูข้อมูลให้ละเอียดเลยว่าเราจะทํายังไงต่างคนก็ต่างฉลาดต่างคนก็ต่างดีเพราะฉนั้นถ้าเผื่อว่าต่างคนต่างฉลาดต่างคนต่างดีแล้วไม่มารวมกันไม่มาปรับกันนี่นะมันไม่เป็นหนึ่งจริงๆคุณฟังดูก็จะเข้าใจแล้วมันไม่เป็นหนึ่งหรอกแล้วมันก็เลยตากายเป็นแข่งกันพอแข่งกันแล้วก็มันก็แตกนี่ ต่อไปในอนาคตได้จะเป็นยังไงมันไม่รวมเพราะในในัยยะที่อาตมายกขึ้นมาพูดในฟังนี่ก็อยากให้พวกเราได้พยายามให้มันเป็นระบบที่มันสอบประสานเพราะงั้นในระบบของวิธีการในโลกเขาจึงมีเชิงบังคับเชิงตั้งกฎตั้งระเบียบตั้งกฎเกณฑ์วิ น, นัยให้มีกรอบอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันถึงจะรวมกันเป็นหนึ่งกันอ ได้พูดได้จ่าได้อบรมการประชุมเนี่ยเราจะต้องสําคัญพระพุทธเจ้ากําชับก ำ, ำชามาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วพรั่งพร้อมกันประชุมพรั่งพร้อมกันเลิกความหมายเท่านี้เลยยิ่งใหญ่มหาศาลเลยสําหรับสังคมมนุษย์คําว่าพรั่งพร้อมกันประชุมเนี่ยไม่ใช่กับพร่องกับแพร่งเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ข่ารู้แล้วอะไรกัแล้วอะไรเงี้เนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องจริงๆเลยมันต้อง ทั้งพร้อมกันให้ดีตอนประชุมตอนที่รวมรวมกันเนี่ยไอตอนจะแยกย้ายกันไปทำโน้นทำนี่นะ่ะไม่มีปัญหาเรามันต้องแยกท้องยายอยู่แล้วที่อาตมาพูดขึ้นมาเนี่ก็อย่างที่ยืนพูดให้ฟังจะชัดนา น, นานทีอาตมามาทีก็น่าจะมาประชุมกันให้พรัพร้อมกันทีนะอะอาตมาไม่ได้เรียกร้องว่าแม้อาตมายิ่งใหญ่ยางง้นยังนี้อะไรหรอกนะแต่ว่ามันน่าจะเป็นระบบที่ถูกต้องมันควรจะเป็นอย่างที่อาตมาว่า เพราะนั้นคนเราถ้าเบอกว่ามีความถือดีถือตัวมีอัตามาณะอะไรกันอยู่เนี่ยมันเป็นภัยต่อการสร้างสรรค์จริงๆเลยเนื่ออัตามาณเนี่ยเป็นภัยที่สุดทุกวันนี้ในการบริหารประเทศบ้านเมืองก็ตามดิ่ด่ากันขมขม่มมีเนี่ยเพราะอัตามาณะทั้งนั้นน่ะใครก็ว่าใครแน่ทั้งนั้นน่ะอย่าว่าจะฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเลยฝ่ายค้านด้วยกันกัตซัดกันเองต่างคนต่างแน่เหมือนกันฝ่ายรัฐบาลเองก็แยกกลุ่มแยกพวก ซัดกันเองอยู่ในตัวไม่ต้องไปพูด ว, ว่าฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลหรอกขนาดกันเองก็ต่างคนต่างแน่เวลาประชุมนกดออดกันพูดบนก็จะตายนั่นนะ่ะสภานี่สภาของประเทศนะแล้วเราเองเราว่าจะปรับปรุงเราจะปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องของสังคมแล้วเราก็จะเป็นอย่างสังคมเขาอย่างเดิมเดิมนั่นแหละมไม่ได้ปรับปรุงหรอกถ้ามันเป็นอย่างเดิมเดิม มนจะอับใครเอาไปท่องกันบ้างที่พระพุทธเจ้าสอนอปปริหาจะทำว่ามันจะแข็งแรงนะกลุ่มชุมชนไหนก็แล้วแต่กลุ่มไหนก็แล้วแต่ถ้ามีอปริหานิ้จรทำนี้ข้อแรกเลยทั้งพร้อมกันประชุมทั้งพร้อมกันเลิกเนี่ยไม่ใช่ความหมายตื้นๆทั้งพร้อมพร้อมกันมาเลยประชุมกันบ่อยๆประชุมกันเสมอๆเนืองนิดแต่พั้งพร้อมกันจริงๆด้วยถ้าทําถูกต้องอย่างนั้นจริงแล้ว กลุ่มไหนก็แล้วแต่แข็งแรงไม่มีร่มสลายไม่มีใครตีแตกไม่มีกานโค่นไม่มีใครโค่นได้แล้วมันก็จะแข็งแรงเจริญจริงๆรงูเจ้านี่ยอดฉลาดตรับไว้มาแล้วตั้ง2 0 0พกว่าปีมาแล้วเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่วิเศษเป็นความหมายที่ต้องปฏิบัติตามถ้าใครดูถูกดูแคลนปุ๊บเป็น ไม่เข้นเป็นแก่นเป็นสารไม่เอาเป็นสาระอะไรนะรวมทำงานกลุ่มหมู่รวมทำงานที่จะเป็นประโยชน์ที่จะไปทะลุทะลวงพักพร้อมที่จะเป็นอะไรไปไม่ไม่ไม่สำเร็จหรอกไม่ไม่ไม่ได้อย่างที่ว่านะเอาก็ฝากไว้หนะ้าที่ผู้พู ด, พดฝากไว้นี่ครับเปลว่าใครดีก็เอาเทปไปแจกแจกแ ก, กัน อ, อัดไว้แล้วก็เอาไปแจกแจกให้ฟังฟังกันบ้างว่าอาตะมาบ่นอะไรหนักอ่า ธรรมดาธรรมะก็เทศในเนื้อหาสาระในพิธีการในอะไรๆไม่ค่อยได้เน้นในเรื่องอย่างนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเหมือนกับพูดกับเด็กๆผู้ใหญ่แล้วไม่น่าจะต้องพูดอย่างนี้มากนักธรรมาก็ไม่เคยได้พูดเท่าไหร่เพราะงั้นจะเทศห ร, รือจะพูดจะเวลามาประชุมมารวมอะไรในส่วนมากก็จะพูดถึงเรื่องของเนื้อหาสาระของการหนึ่งธรรมะเรื่อง วิธีการเรื่องอจะทำอะไรยังไงอะไรยังไงหรือว่าอธิบายความหมายนนนนีนนนนนนนน่อะไรให้เข้าใจกันลึกซึ้งไปขึ้นเพิ่มภูมิปัญญ า, าไม่ได้มาพูดถึงเรื่องอันนี้เท่าไหร่เอาละอาตมาบ่นไว้แล้วจะมีผลไม่มีผลยังไงก็ค่อยๆว่ากันไปสรุปแล้วก็งานนะต่างคนก็ต่างมีใจมีใจอยากทำงานก็ดีนะก็พยายามฝึกปรือไป อย่าไปท้อแท้โดนติโดนติงโดนอะไรเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคนไม่ทํางานนะ่ะไม่ต้องโดนตีหรอมันชั่วแล้วคนไม่ทํางานอนะ่ะไม่ต้องไปตีอะไรมันหรอกไปตีมันทําไมล่ะมันชั่วแล้วมันไม่ทํางานแต่คนทํางานยิ่ที่ยิ่งทํามากก็ยิ่งจะมีข้อที่จะต้องถูกติถูกเตียนถูกขานถูกแยง่งถูกทวงอันนั้นอันนี้เพราะว่าคนเราต่างความคิดต่างความเห็นต่างความเข้าใจหลายอันหลายอย่างบางทีคนอื่นเขาก็าคิดถูกคิดดี ไม่ ใ, ใช่ว่าเราจะไปหลงตัวว่าเราคิดถูกคิดดีอยู่คนเดียวเพราะบางคนเขท้วงเขาติงเขาติเขาเตือนเขาอะไรอย่างงี้วันนี้ก็ฟังมาดูสิว่าเรากลับส า, ารหรือ ก, กันไปดีกว่าไม่มีใครติใครเตียนถ้าไม่มีใครติเตียนไม่มีใครติดเตือนอะไรเลยนะมันไม่ได้หรอกคนเรามันหัวเดียวมันจะไม่ดีเท่าหลายหัวได้ไงใครๆก็รู้เดี๋ยวให้ท่องออกมากันท่องได้อีกอหลายหัวดีกว่าท่องได้ แต่เวลาทํำจริงๆแล้วหัวเดียวของข้าเนี่ยหลายหัวยุ่งชิบหายเลยข้าจะเอาของข้าไม่ให้ตามใจข้าพอเอาไอ้ที่ท่องกับทองหลายหัวดีกว่าหัวเดียวแต่เวลาทําแล้วยังไม่ยุ่งแต่เวลาจะทําำนะไอ้ไอ้ที่ทองนะั้นมันไม่เห็นมันมันไม่เห็ น, ม, นมันเข้ามาเลยมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าไอ้ที่ทำก็ทําไปไอท้ที่ให้ท่องถูกเป๊ไอ้ที่ทำมาตรงเป๋ตรงเป๋ะนะไม่ใช่ตรงเป๋งนะ ตรงเป๋มันก็ไม่เข้านะเพรา ะ, ะนนคนเราถ้าเผื่อวรักจะพัฒนาจะต้องเข้าใจในหลักสัจธรรมต่างๆทั้งนั้นเลยหลักสัจธรรมที่ว่าเราจะต้องลดอาตาัตราคําว่าลดอัตรานี่มันอย่างไรมันต้องลดมันต้องฟังมันต้องเออก็ค่อยวางใจก็ค่อยเข็นก็ค่อยพิจารณาด้วยสัจจะเนื้อหาข้อมูลความจริงอะไรต่างๆนานาว่าเอออะไรมันดีอะไรมันถูกต้องนะเราเอาอย่างที่มันดีมันถูกต้องไม่ใช่เอาอย่างที่เรายึดถือ โดยเฉพาะความเป็นอัตตาเนี่ยมันไม่บอกใครหรอกอถ้ามันอัตตามันขึ้นมาแล้วมันก็เลยเขาเขากระลาบอกก็ก็ก็กระจองงองกระจองงองอัตตาเกิดแล้วเหรอเองอัตตาเกิดมันไม่บอกคุณหรอกอัตตามันเกิดอะมันไม่บอกอ่ะมันขึ้นมาแล้วเราโอ้ยมันไม่มีมองใครอ่ะไม่มีหกไม่เห็นใครแล้วมันก็ฆ่าคนเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละนะมันไม่เอาอะไรกับใครหรอกถ้ามันยังไม่ขึ้นจะจัดแล้วล่ะโอ้ย มันถ้าจะเหยียบคนอื่นเรียบไปเลยน่ะถ้ามันขึ้นจะจัดมันเป็นได้ถึงปานนั้นนะใครเคยมั่งรู้สึกมั่งถ้ามันตามันขึ้นจัดจัดมันมองคนอื่นนี่หมายจากจะเหยียบให้แบนไปหมดเลยเนี่ยถ้ามันขึ้นจะจัดน่ะตามันยุ่งก็กูนะมั่ววมันขัดมานขวางมาอะไรนั่งอะไรมันเป็นยังไงมันไร้กาดน่อตานี่รไร้กาดน่ะตาเนี่ยมันเรื่องสายของการ ปัดอันอื่นหมดเลยแล้วก็จะทําลายอันอื่นหมดเลยอาตาเนี่ยมันเหมือนสภาพของว่ามันมายึดตัวตนแล้วมันยึดตัวตนนี่แหละมันไปทําลายอันอื่นส่วนราคะหรือกามนั้มันเอาอันอื่นมารวมเรากามหรือราคะเนี่ยมันมันมีสภาพที่ย้อนแยงกันอยู่ในตัวกามเนี่ยมันเอาเหมือนเอาอื่นมารวมเราประหลาะแต่จริงๆลึกๆมันก็มาบําเรือใจตัวเหมือนกันนแต่ยอมนะ โอ้ยยอมขนาดถ้าบอกว่ารักมืดหน้าแล้วเนี่ยน้องเห็นนกชี้นกกว่าไม้กับว่าไม้ไปตามเลยยอมหมดทุกอย่างอะออะไรก็ไม่ดีก็ดีไปหมดนะยอมใช่หไหมมันต่างกันกับไอ้อัตตาอัตตานี่ไม่ยอมนิดหน่อยก็อยามาขัดอย่ามาขวางอย่ามามันคนละเรื่องกันนี่คือในยต่างๆของเนื้อหาสาระที่เราจะต้องศึกษาและต้องฝึนต้องเรียนรู้ความจริง เสร็จแล้วเราก็จะเออประสานก็ได้ทํางานก็ได้มากเชี่ยวชาญมากทําอะไรได้กว้างาเป็นประโยชน์คุณค่าจริงอาตมาว่าอาตมาทุกวันนี้ทํางานอะไรได้มากได้อะไรเยอะขึ้นมาเนี่ยเขาเพราะว่าเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียนรู้มาแล้วแล้วเราก็เอามาปรับตัวเราเองลดตัวเราเองยิ่งทํางานก็ตามจะไปทํางานแบบโล ก, โลกหรือมาทํางานแบบธรรมะจริงๆก็ตาม ก็เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือทําให้เราเนี่ยเจริญทําให้เราลดละกิเลสต่างๆเท่านั้นแหละนะเป็นเครื่องมือทะทําทงานเนี่ยเพื่อไปทให้เราลดกิเลสพอเราพิจรรารณาดีทุกทีไปเลยว่าเออเราทํางานไปทํางานไปทําไมเราเองกิเลสโลภ ก, กิเลสโกรธเห็นแก่ตัวกิเลสราคะมานะอะไรมันไม่ลดถ้าบอกว่าปรยิมทำงานมากมากมากมากยิ่งกิเลสขึ้นโดยเฉพาะกิเลส เอาใจใจตัวกิเลสอัตามานะผิดนนแน่นนแน่เลยผิดแน่แนต่อให้คุณได้เงินได้ทองด้วยอัตามานะขึ้นด้วยก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยยิ่งซวยหนักเงินทองก็เอาของเขาแล้วแถมอัตามานะก็ขึ้นด้วยนี่ยิย่งซวยหนักเพราะงัคนทั้งโลกเขาไม่ได้เรียนเห็นไหมเขาอัตามานะมากยิ่งทําสําเร็จโอ้โหนี่ฝีมือข่านะั้นนี่ข่าสร้างสรรค์นมาเี่ยโอ้โหยิ่งโตร่ํารวยมหาศาลปลอดผลสําเร็จมากมายอํานาจบาดใหญ่เลยยิ่งเป็นหุ้ประธาน เป็นดารใหญ่โอ้รวยด้วยรวยด้วยแล้วอัตา ม, มาน้าก็ขึ้นด้วยคิดดูซิว่าเนะี่ยล่มจมขนาดไหนมองไปนในแง่ธรรมะล่มจมขนาดไหนคิดดูอเพราะฉะนั้นทำงานนี่ก็เพื่อลดกิเลสถ้าใครทํางานลดกิเลสแล้วก็รู้ว่าเราได้ทํางานในเราได้ลดกิเลส ข, ของเราเนี่ยโอ้ดีแล้วดีแล้วดีแล้ว แมว้ว่าคุณทำงานแล้วนะรับเงินรับทองแต่เราได้ลดกิเลส ข, ของเราส่วนกิเลสได้ส่วนที่จะไปรับเงินรับทองมันก็เป็นอีกอันหนึ่งกุศลทางอ ก, กุศลทางโลกีไปรับเงินรับทองเขามามากมาเกินมันก็เป็นอ ก, กุศลไปเรื่อยใช่ไหแต่คุณได้ลดกิเลส ข, ของคุณก็ยังดีนะเป็นแต่เพียงคุณเกิดมาคราวหน้าคุณจะเป็นอริยะกระจอกยากจนขี้ทุดกุดถังเท่านั้นเองเพราะคุณไปเอาของเขามามาก ไปลบโมโตสันมากมากแต่คุณือเป็นอริยะเพราะคุณได้ลดกิเลสฮะแต่เสร็จแล้วคุณ <c oughs> ไปเอาเข้ามากมากมันก็ต้องมายากจนนะทีมันก็ยิ่งเอาเข้ามามากมันก็เป็นหนี้แต่คุณได้ลดกิเลสก็ยังดีแต่จะให้ดีแล้วก็จะไปลบโมโตสันออกมาทั้งวัตถุทั้งนา ม, มาทำมือเอากิเลสสมตัวแล้วถมตัวแล้วก็ยังแถม ของเขาเอาเปราเอาอะไรเข้ามาอีกโยไม่เหลืออะไรเลยทีนี้เราไม่ใช่ ก, กิจูตรกุฏังหรอกลงนรกหมกไหม้ไปอีกไม่รู้กี่ชาติจะดได้เกิดอีกวดนนี้แล้วก็โง่ไงดักนั้นไปอีกนานนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อริยคุณไม่ได้ลดกิเลสไม่ได้อริยคุณมันก็ยังไปใหญ่ใหญ่เลยนี่ฟังดีๆแตมาอธิบายธรรมะนี่เราะ มันซับซ้อนซับซ้อนเรามีพื้นฐานเราได้ทําแล้วเราเข้าใจระบบบุญนิยมแยกวิเคราะห์ชัดเจนโลกุตระเป็นอย่างไรโลกียะเป็นอย่างไรชัดเจนแล้วเนี่ยคุณฟังดีๆจะเห็นความลึกซึ้งซับซ้อนมันมากมายเพ<ม>ราะฉะนั้นถ้าเราต้อไม่รู้ลึกซึ้งไม่รู้ความซับซ้อนอย่างนี้มันจะไปทําถูกเหรอยิ่งเข้าใจไม่ได้เลยโลกุตระมันก็อยู่ในโลกีกันต่พุตตะพืเห็นมาโอ้ยิงบาใหญ่เลยโอ้ทั้งร่าทั้งรวยทั้งอํานาจบาดใหญ่ทั้งอะไรแต่อะไร ต, ะต่างๆนา น, นา ประวัติศาสตร์บอกเราฮ่องเต้ทั้งหลายแหละลูกเจ้าชายเป็นเจ้าชายของฮ่องเต้ลูกของฮ่องเต้อ ะ, ะอะไรต่ตางๆ น, น, นานาเห็นไหมบา้บาๆบวมๆอำนาจบาดใจร่ำรวยอะไรต่างๆรีดนาทาเรนเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วใครจะไปแตะเขาได้อีกคนอย่างนั้นหน้าสงสารเป็นอันมากเลยเพราะช่วยไม่ได้เดี๋ยวนี้แม้แต่ในประเทศไทยในยอาตมายังช่วยคน คล้ายๆอย่างนี้ในประเทศไทยเนี่ยเป็นลูกเจ้าขุนมูลนายเป็นลูกอัศวินนายพงนายพลเป็นลูกอาเซียใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่ไปแตะเขาได้ที่ไหนอาตมาแตะเขาไม่ได้และเขาก็ไม่มาเห็นว่าอาตมาจําเป็นจะต้องมาสุหกพราอาตมาไม่มีอะไรให้เขามีแต่ธรรมะอย่างนี้ก็ฟังไม่เป็นเขาไม่รู้เรื่องมีอะไรโพธิรักษมีอะไร ไม่มีอะไรที่เขาจะเอานะไม่มีอะไรที่เขาเห็นว่าสาคัญที่ควจะได้เพราะคนเหล่านี้เขาจะไม่มาใครอัตมาช่วยเลยไปใกล้เขาก็ยังไม่ได้แตะเขาไม่ได้ด้วยนะได้แต่พวกคุณนี่แหละมันมีทางจะไปอดอยากหลงพัดหลงผูมาบอกโอ๊ยอดอยากมากมาที่นี่จะมารวยสักหน่อยอา้าวจริงจะตั้งเจมใจะตั้งใจจ ะ, งใ จ, จะมาเรียนหาทางรวยอะนะ อ้าวทำไมอย่างนี้อแต่พวกคุณก็ให้อัตมาตแตะพยายามศรัทธาเริ่มไสพยายามยอมฟังโอ้ดีแล้ฮ่เออไม่รวยก็ไม่รวยนะเลยไม่ได้รวยเลยชาตินี้เกิดมาทั้งทีโชคดีเกิดมาทั้งทีนะเกิดมาทั้งทีจนส่ําเกิดมาจน มาพบผูท้ที่คิดว่าโอ้โหศรัทธาเริ่มใสมหายอดบุญยอดกุศลเลยนะอย่างดีเลยก็พาจนลงไปอีกโอ้ยเกิดมาทั้งทีจนตืมจนจนจนผู้ยิ่งใหญ่เลยไม่ได้รวยกับเขาเลยชาตินี้ทั้งชาติเนื้อ่าจะรวยกับเขาบ้างจะมาหาทางรวยกลับมาซั์จนหนักกับเก่าอีกโอย สมน้ำหน้าไหมนี่สมสมน้ำหน้าไหมเพราะคนรวยก็อยู่ในซีกฝากฝากรวยเขาก็จะไม่มาพบอาตมาอาตมามันมันอยู่ในกระบวนกระบารกระบวนการแก้จนให้จนหนักเข้าไปเก่ า, กาแต่ก็จนอย่างที่เรามีปัญญาเราเข้าใจแล้วก็เราเห็นว่าเออจนก็จน อ่ายินดีจะจนอ่าพยายามที่จะจนอย่างมีภูมิธรรมอย่างมีความรู้ความเข้าใจเออไม่มีปัญหาแนละ้จนอย่างนี้เราเข้าใจแล้วและเราก็อยู่ได้จนอย่างเป็นสุขจนอย่างที่เรามีวิธีการมีระบบของวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างเราเป็น<ๆ>ก็ได้มาอย่างนี้คุณจะเห็นได้ว่าคนร่าคนรวยไม่ค่อยมีชาวอโศกนี่คนร่าคนรวยเขาห่างไกลนะพอเราเนี่ยน้อยจริงๆหาคนรวยรวยน้อยแล้วมันดีนะมันดี ถ้าไม่มีคนไม่ใช่ทําให้มีถ้ามีคนรวยๆมามีมากๆเนี่ยนะพวกเราก็จะไม่มันจะเหลิงมามันจะเหลิงมีคนรวยกว่าเด็ก็อะนี่ก็ใช้เงินไปหมดเลยมันไม่ได้แบกได้หามันไม่ได้ออกฤทธิ์ออกแรงมันไม่ได้กัดกันหรอกเพราะมันรวยอะไรมันก็สําเร็จไปด้วยเงินมันไม่ได้กัดกัดไอ้นี่ก็โอ้ต่างก็ก็ะเบิดกระแม่ต่างก็กระเบียก็เสียนต่างก็ดึงไปดึงกันมาถึงกันไปถึงกันมาหู้นุก ฟังหมัดหมัดมวยมวยหอกหอกดับดาบจะต้องระมัดระวังกันต้องได้ฝึกเนี่ยรวนแล้วแต่สิ่งที่มันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบทประขา ท, ที่ดีทั้งนั้นถ้าไม่เช่นนั้นเราไม่ได้ฝึกเขี่ยวเข้าไปขนาดนี้อ ย, นอย่างนี้นะเราไม่แข็งแรงขึ้นหรอกเราไม่ได้สั่งสมสั่งสมกรรมกิริยาสั่งสมความทำมันต้องทํามากๆต้องทําอย่างนี้แหละ มันแบบฝึกหัดนี้มันบอกแล้วว่าไม่ได้มา น, นั่งเขียนเอาเอา้าวทาแบบฝึกหัดนี้สมมุติว่าไอ้เงี้ยม่ใช้ไม่ใช่สมมุติว่ามันเรื่องจริงไม่ใช่สมมุติว่าเรื่องจริงเลยต้องทําเพราะฉะนั้นมันจึงจัดได้แต่จริงใครที่ทอแท้ใครที่อ่อนแอก็อยู่ไม่ไหวถ้าใครไม่ทอแท้ใครไม่อ่อนแอก็อยู่มีใครบ้างนะพูด บอกว่าอยู่กับพ่อท่านนี่อยู่ไปเถอะอยู่ให้มันให้มันได้จนตายให้ได้ก็แล้วได้ดีแน่แน่เลยว่างั้นให้อยู่ให้มันได้ไปตลอดตาอยู่กับพ่อท่านนอยู่ไปให้มันจนตายเลยนะได้ดีแน่แนไม่ต้องห่วงหรอกอยู่ไปเถอะอยู่ให้มันได้พ่อท่านพาทาเองอะอยู่ไปเถอะโดนไปเองอะได้มันได้ดีจนได้อะดีแน่แน่ขอให้มันอยู่ให้มันได้กันแล้วกันว่างั้นใครนะพูดสมณะเนี่ยชูบโรหรืออะไรใคร นันพูดพเราเนี่สมณะนี่พูดบอกกันอยู่ไปเถอะพอท่านอยู่ไปเถอะอยู่ก็พอท่านอยู่ให้มันได้กัแล้วกันอย่าออกไปอย่าดุลออกไปให้ได้อยู่มันไปให้มันได้เนอะได้ดีจนได้ไม่ต้องกลัวกกว่างั้นอาตมาก็เออคนนี้ก็ต้องทังเข้าใจนะเข้าใจอย่างนี้มันจะจริงไหมเนี่ยเออพวกคุณคิดยังไงเนี่ยถูกหลอกนะเนี่ยอาตมาหลอกให้อยู่หรือเปล่าและคนที่พูดนะพูดชวนหลอกให้อาตมาเป็นเครื่องมือให้อาตมาก็เลยไปชวนหลอกคนอื่นต่อ อยู่ไเถอะเนี่ยโอ้โหศอกสอกสอ ก, อกถูกดา่าบ่อยเลยนะขี้เกียจก็ไม่ได้อะไรผิดนิดผิดน้อยก็วา่าอันนั้นอนะ่ะมันต้องเป็นอางนแบบฝึกหัดอาตมาที่บอกว่ า, ารายละเอียดอะไรต่างๆนานาเนี่แม่ปางนี่นี่เป็นปางที่อืหนักหนั ก, นกอาตมายังนึกอยู่เลยว่าปางหน้าเนี่ยปางนี่ปางรามเนี่ยเป็นยังงี้ปางรามหนักเหมือนกับคนอ่อนแออาตมาเหมือนคนอ่อนแอแต่ไม่ใช่นะ คุณเข้าใจธรรมะเนี่ยจะเข้าใจต่างกันอย่างพระรามเนี่ยนะท่านไม่ต้องทำอะไรพวกลิงแทนหมดแต่ตมานี่เป็นพระรามที่ต้องทามันเกิดลิงจริงๆแต่เป็นลิงป่านะมันอยู่ในใ น, ในรามในรามไม่ใช่ว่าเป็นปางที่เป็นรามที่งามแล้วเป็นปางที่ยังรามยังบุกเบิกอยู่เลยลิงก็เพิ่งจะจับมาจากป่า ยังไม่ได้เป็นขุนวานอนยังไม่ได้เป็นขุนฮานุมานายล็อกมีแต่หนุมวยฮะยังไม่เป็นยังไม่มีฤทธิ์นะลูกลิงจะสมุนหรืออัศวินก็ยังไม่เป็นแน่นั่นมันก็เลยอย่างนี้แหละนะเป็นปางที่จะต้องบุกไปลุยไปอีกไปปางราม อ, าอีกนานนะยังจะพอไปถึงปางแปดนนถึงจะ ก็โหแสดงฤทธิ์เตะพอสมควรนะเห็มีเอาใช่ปางกิสณะพรามในปางเจ็กิษณะปางแปดปางเจ็ก็ยังมันอยู่ในระดับที่ยังไม่ได้อะไรเลยเพ ย, ยังอยากจนจนึงยังไม่ได้เป็นเจ้าชายยังไม่ได้เป็นพระรามนี่ลูกใครนะลูกเท้าอะไรนะ <c oughs> พ่อพระนางเท้ า, าทศรถนะพระรามลูกเท้าทศรถนะ ทศรถมาคว่ารถสิบคันใช่ไหมอ้าวทศรถนะ่ะก็รถสิบคันนะทะีของเรานีา่มีแต่รถห้างนะมีแตนะ่รถห้างนะไม่ใช่ทศรถนะรถห้างว่ากันไปเค้นกันไปตามเรื่องตามราวนะ นี่ก็พูดอะไรไปเรื่อยๆแต่มันก็เป็นการขยายความให้ฟังนะถ้าคุณฟังว่านี่มันไม่ใช่พูดเล่นเราพูดจากแกนแล้วก็อธิบายขยายความให้ฟังดูเบาๆง่ายๆแล้วมีอะไรมันอธิบายธรรมะบางทีมันก็ต้องอาศัยภาษาอาศัยสื่ออาศัยสิ่งที่เป็นหลักฐานพวกนี้มาขยายความเพราะว่าเวลาอธิบายเป็นนรกสวรรค์เป็นเทวดาเป็นผีเป็นซาตานเป็นสัตว์นรกเดรัจฉานอะไรก็แล้วแต่มันก็อธิบายเป็นรู ป, ปรูปธรรมเป็นสิ่งที่แบบอย่างงั้นน่ะมาประกอบ คนเข้าใจไม่ได้ก็เข้าใจเป็นตัวเป็นตเนตเป็นแท่งเป็นก้อนไปนหมดมันก็เลยเละอย่างที่อาตมาเนี่ยยกตัวอย่างนะเป็นรถสิคันเป็นอะไรอย่างเงี้ยหนักเข้ากับพวกคุณฟังเสือบือ้อก็บอกว่าเฮ้ยรถสิบคันยี่ห้ออะไรมั่งวะอ อ, อะไรไปนวดเลยมันก็จะไปกันใหญ่มันไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ใช่นะนี่ที่อาตมาพูดนีมนนมม่มันแทนนามมาทําเพราะเราฟังฟังไปแล้วบางทีก็ไม่รู้จะอธิบายไอ้จริงๆเรไปหานามมาทํามันจะพูดอะไรอีกมันก็ยังไม่ได้เลยแต่พวกคุณพอเข้าใจไหมเออคุณก็พูดไมได้เพราะอาตมายังพูดไม่ได้เลยก็พูดได้แแต่่่สิงงงทนอยาเี อย่าไปพูดตัวนั้นเลยโดยภาษาเปี้ยเลยมันไม่มีมันไม่มีภาษาเรียกกันนั้นตรงตัวแต่มันพอเข้าใจเอออันนี้ใช่ใช่อันนี้อันเนี้ยพอคุณก็เข้าใจแล้วก็แล้วให้ไปพูดอย่างอาตมาจะพูดไม่ได้เลยบางทีใช่ไหมไปพูดอย่างอาตมายกตัวอย่างอาตมาพูดเพื่อเพยกตัวอย่างมาถึงตรงนี้เออเนี่ยพอเข้าใจได้คุณจะไปอธิบายอย่างอาตมาอีกบ้างตามนี้ไม่ง่ายบางทียังเฮ่พอทารอธิบายไปยังไงมาไงว่ามันถึงมาออกมาได้เราจะไปอธิบายเอาอย่างรูสิบางทีมันไม่ไปอ่ะมันไม่ได้ออกมาอย่างนั้นอ นะไม่งามมันต้องมีปูพื้นฐานตรงนั้นตรงนี้ไอ้นี่คือมาประกอบกันขึ้นมาอย่างดีมันถึงจะพอพูดกันได้ยิ่งพวกเราเนี่ยมีสภาวะมันจึงพอเป็นไปได้ถ้าเป็นที่อื่นนะมันก็พูดไม่รู้เรื่องหรือคนใหม่ๆเนี่ยมานี่เนี่ยคนใหม่ๆหรือคนไม่ค่อยเข้าใจในฟังที่อตาตมาพูดนี่เขาไม่รู้เรื่องไม่รู้พูดอะไรไปหาพระองค์พระรามไปหารถอีกอะไรก็ไม่รู้มันก็เลอะเทอะกันไปใหญ่นะเพราะพวกเร า, เราก็เอา ตามภาษาอัตมาไม่ได้สร้างเอาไม่เด้นพยายามที่อยากได้แต่มันก็เป็นมันเป็นไปตามทำตามอะไรอะไรมันก็ประมาณอยู่อะไรมากไปก็พยายามตัดอะไรมันน้อยก็พยายามเพิ่มให้มันพอเป็นไปไอการเพิ่มหรืออะไรที่เร่งขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องพยายามเหมือนเข็นให้เราต้องพยายามเหมือนเข็นขึ้นมาพยายามขึ้นมาอ่ามันยังไม่พอนะ มันยังขาดส่นั้นส่นี้นะเพรา ะ, ะอะไรที่อาตมาให้สัญญาณว่าเร่งว่าอะไรเนี่ยถ้าใครมีไหพริบดีก็อา้าวลองดูซิที่สัญญาณอันนี้ทนายสัญญาณนี้เร่งอันนี้นะ่ะขันเกลียวนี่นะเดินเครื่องอันนี้นะผลก็จะได้ของตัวเองหรือผลก็จะได้โดยหมูเนี่ยอาตมาดูแล้วว่าพวกเรานี่มีมาถึงวันนี้นี้ แม้มันเป็นไปได้คนอื่นต่อไปในอนาคตนี่นนเขาจะมาบอกว่าเออเขาจะไม่ใช่มาบอกเ ข, เ, เขาจะมาเห็นแล้วเขจะมาอยากจะทําอย่างที่ที่ที่อาตมาทํามานี่บ้างเขาจะไปทําได้ไหมเขาจะไปทําได้ไหมฮะทาไมอ่ะทําไมจะไม่ได้เราทำไมอเอา้าฮะเขาจะไปทําเนี่ยเขามีเงินมากกว่าอาตมาด้วยเอา เขาจะไปทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเพิ่งทำอัตมาก็ทำกับพวกเรามานานแล้วก็จะต้องมีรากฐานมีพื้นฐานมาจนกระทั่งถึงขนาดนี้มีมวลขนาดนี้มีความเข้าใจขนาดนี้มีสถานที่มีองค์ประกอบอะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะมีกระแสของความเป็นอโศกนี้แพร่สะพัดออกไปสู่สังคมต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นนามธรรมาอันนี้เป็นนามธรรมานะ กระแสะของอโศกฟังออกนะฟังเข้าใจนะว่าคืออะไรกระแสะของอโศกนี่ออกไปอโศกเป็นใครอโศกเป็นอย่างไรแต่ก่อนนี้เราเข้าใจว่าอโศกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราเข้าใจอโศกไปดีขึ้นทุกวันนี้ลองเราอาตมาลองถามถามบาุรุษสิพวกคุณมีความรู้สึกอย่างไรว่าอโศกเรากั บ, ก, บกับสังคมข้าง น, นอกเนี่ยแต่ก่อนนี้่ะกับเดี๋ยวนี้ <c oughs> เขาเข้าใจเราดีขึ้นไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจเรายิ่งร้ายกว่าเก่าหลงตัวเองหรือเปล่าเอาอะไรไปวัดะสัมผัสเองเอาละอาตมาว่าพวกเรามีเซนสนะ์มีสิ่งที่รับซับความรู้สึก ผลสะท้อนรับความรู้สึกพวกนี้มากหรือน้อยแต่ละคนมีเสร็จแล้วก็รับมาดูเมื่อรับมาแล้วเราก็รู้สึกอย่างนี้ที่อาตมาถามนี่ก็คือเป็นความรู้สึกของแต่ละคนที่พยายามรู้ไอ้สิ่งนี้มันเป็นนามธรรมามันไม่ใช่วัตถุธรรมเพราะจริงๆแล้วอโศกทุกวันนี้เนี่ยกระแสของเรากระแสของสังคมที่รู้สึกกับเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเก่า <c oughs> แต่ก่อนนี้ โอ้โหอโศกนี่เขากลัวนอกจากกลัวแล้วเขาเกลียดด้วยนอกจากเกลียดแล้วเขาหาว่าเป็นตัวทำลายกลัวเหมือนตัวขยะขยะนะ <c oughs> กลัวเหมือนตัวที่ขยะขยแะแต่เป็นตัวขยะขยงที่ทำพิษด้วยเขาเข้าใจว่างั้น พอ ต, อต่อมาก็บอกเอ๊ะมันก็ไม่มีพิษอะไรมากมายนะอโศกเนี่ยคลายไปนะคลายไปมันก็ไม่มีพิษนะมันก็ไม่เห็นมาขย่ามันก็ไม่เห็นมาทําชั่วทําเลวทําร้ายพิษในมไม้ขว่าทําให้เขาเดือดร้อนเอ๊ะก็ไม่ได้ทําให้เขาเดือดร้อนอะไรมากมายนะอโศกไม่ได้ทําแต่ว่านี่มาทําลายทำลายสังคมทำลายบ้านเมืองอ่าทำลายาศาสนา ทำลายอะไรก็ไม่รู้ทำลายสถาบันนั้นนี้นี่อะไรเขาก็ว่าไปนะเอ๊ะจริงๆก็ไม่ใช่นะอโศก็ไม่เห็นได้ไปทําลายสถาบันอะไรสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ทําลายสังคมเขาก็ไม่ได้ไปทําลายสังคมดีไม่ดีเขาช่วยสังคมด้วยซ้ำทําลายบ้านเมือง เ, อเขาก็ปลูกฝังทําให้บ้านเมือง จะให้อยู่ดีกินดีจะทําทอะไรให้มันดีขึ้นมันเลยซ้ําไปไม่ได้มาพลานมาพลาดหรือว่าไม่ได้มาเอาเปรียบเอารับเอาปูยิปูยําอะไรก็ไม่ใช่ขนาดเรื่องของขยะก็ช่วยรักษาเรื่องของสิ่งที่ขาดแคลนก็ช่วยบํารุงขึ้นสิ่งแวดล้อมที่มันเหลวไหลมันเละเทะก็พยายามช่วยบํารุงปลูกฝังทําอะไรขึ้นมาในเวลา10ปี20ปีร่วง ผ่านมาสิ่งเหล่านี้มันปรากฏเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเป็นอะไรอะไรต่างๆนานาพื้นภูมิวมีประเทศที่เราอยู่ที่เราเป็นเราปลูกเราฝังเราสร้างเราเก่อเราทําอะไรขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นตัวปรากฏยืนยันมันคานแย้งที่เขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดว่าเรามาทำลายเอ๊ไม่ใช่ทําลายนะเขาเสกอีกไม่ได้ทําอย่างเราทํา ซึ่งเหานี้จำนวนนะคนเราเนี่ยมันไม่โง่เกินไปหรอกมันรู้เพราะฉะนั้นพอมาเข้าใจพอมาการที่มันไปคิดผิดผิดความเข้าใจที่มันไม่ถูกต้องความเข้าใจที่มันอะไรต่รยรยอยู่หนึ่งเป็นพิษแหมเราดีเป็นตัวรา ย, รายเป็นพิษเป็นภัยของสังคมก็ลดลงนอกจากลดลงแล้วก็กล้าที่จะดูกล้าที่จะเยี่ยมเยี่ยมหรือว่ากล้าที่จะสมัมผัสรู้ ความกลัวก็ลดลงความกลัวลดลงเมื่อเข้าใจเมื่อเห็นดีด้วยโอ้อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็เข้าท่า น, นี่ความเกลียดก็ลดลงอาจมาพูดไปเป็นสามช่วงสามสามขยักสามอันความเกลียดความกลัวแล้วก็ความเป็นพิษไงมามันจะเป็นสัมพันธ์อย่างเงี้ยกระแสมันก็ค่อยๆขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อลดความไม่เห็นว่าไม่ใช่พิษเขาก็กล้ามาลดความกลัวกลัวลงก็กล้ามาสัมผัสมาเรียนรู้มาเอาของจริงเออพอมารู้เขาบอกมากมา ก, มา ก, มากมาเขา้าเออแทนที่มันจะน่ากลัวมันก็ไม่น่ากลัวนอกจากไม่น่ากลัวแล้วน่ารักด้วยนะน่าเอ็นดูเออน่าเอ็นดูน่าคบหาความเกลียดก็ลดลงลดลงพราะฉะ น, นัตอนนี้กําลังกระแสพวกนี้ยฟังดูดีๆ กระแสที่มันที่อาตมาตั้งไว้แต่แรกไงนะทั้งหมั่นทั้งเกลียดกลัวถ้าต้องทำลายพอบอกตัวนึกว่าเป็นตัวพิษตัวภยัยมันก็ค่อยลดลงไปจนผลสำเร็จมันก็จะลงที่ว่าเมื่อใดเขาไม่กลัวเราแต่เกรงไม่กลัวนะแต่เกรงเกรงโอ้น่าเคารพนับถือน่ารักไม่เกลียดแล้วนี่คือผลสุด เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าเป็นพิษเป็นภัยเนี่ยตอนนี้หายไปเยอะแต่ยังมีพวกที่ปักมันอยู่นี่นี่จอมร้ายเลยนี่สันติอโศกเนี่ยปราบได้เมื่อไหรปราบชนะอย่าเอาไว้เถอะยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะยังมีแล้วเขาก็ยังปักมันของเขาอยู่อย่างนั้นนะหาทางทําลายอยู่พยายามเผยแพร่พยาพพยามที่จะาหาหมวลหาหมู่ช่วยกันทําลายนะอโศก อ, อย่าให้เหลือซากเหลือเดนอย่าให้เหลือสปอ สปอร์นี่คือเชื้อเชื้อที่เล็กๆที่มันลอยไปกับลมแล้วก็ไปเกิดสปอร์ของต้นไม้เนี่ยมันมีสปอร์มันมีมันยิ่งเล็กกว่าเมล็ดนะยิ่งเล็กกว่าเมล็ดเมล็ดเล็กๆเป็นสปอร์ไปไปปลิวไปกับลมหรือว่าลอยไปกับน้ําอะไรอย่เงี้ยไปแล้วก็ไปเกิดอปลาไปเกลี้ยงนะยังให้เหลือแม้แต่สปอร์นะแม้แต่ยีนก็ไม่เหลือแม้แต่วิญญาณก็ไม่ให้เหลือ อตาตมาว่ามาถึงวันนี้นี่ปราบยากแล้วล่ะเนี่ยปราบยากแล้วล่ะมันสปอมันแพร่ไปมากพอสมควรแล้วตอนนี้นะแต่เอาเถอยังไงยังไงมันก็เกิดผลตามที่เราเป็นถ้าเราเป็นได้เป็นให้ดีขึ้นได้อะไรอะไรได้อย่างดีมันก็ขึ้นจริงมันก็เป็นจริงไปเองเพรา ะ, ะนั่นที่อตาตมาถามแล้วพวกเราลองลอ ง, ลองใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกวัดวัดดูแล้วก็ตอบรู้ิว่า ความรู้สึกแต่ก่อนของสังคมเราก็พอเข้าใจว่าแต่ก่อนเขาทั้งเกลียดทั้งกลัวทั้งเห็นเป็นตัวพิษร้ายแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างที่อาตมาว่าไหมนะไม่ใช่เป็นอย่างที่อาตมาว่าเท่า น, นั้นแล้วเราจะต้องพิสูจน์ทําตัวเองให้ให้มันเปลี่ยนแปลงไปเลยว่าทีเขาเห็นว่าเราเป็นพิษเป็นภยัยเป็นตัวหน้าทําร้ายเนี่ยลดลงแม้แต่กลัวก็ไม่กลัวแล้วนะญาติดี จนกระทั่งนอกจากไม่กลัวแล้วสมัครสมานสัมพันธ์เป็นประโยชน์ร่วมกันจนกระทั่งสุดท้ายก็รักใคร่สนิทสนมนักเข้าก็ยอมรับนับถือบูชาเคารพนั่นเป็นสุดสูงสุดขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับเห็นทิศทางมั้งไหมทีนี้จะทำยังไง ทำปัญญาออยเอาไปออยเขาเห็นอย่างเห็นแต่มันตรงจริงให้เขามาหาเอาเองให้เขาย่อมเป็นพกเขาเองส่นตัวไปอ่อยเอามันก็เป็นประหลอกเขาเอาอย่นไม่ได้เรื่องอะไรประหลอกเขาไม่ต้องปะหลอกเขาหลอกเราทำของเราดีๆเราจะมีกาย ก, า ร, กรรมวจีกรรมที่จะญาติดีกับเขาก็ญาติดีพอสมควรอญาติดีกันอย่างจริงใจของเราอาตมาบอกแล้วพวกเราเทศที่สันติกเทศว่าให้เราพวกเราในพยายามสมานพยายามประสานกับแขกเรือ พยายามที่จะญาติดีกับเขาบ้างเรามีอะไรดีพอสมควรก็มีอะไรพอจะสัมพันธ์กับเขาได้ดีๆอยู่แล้วอนะ่เราไม่จําเป็นจะต้องไปไปเคร่งเครียดอะไรมันมากเกินไปใครมาก็หมายอะไรนิดอะไรหน่อยเขาของเขาก็คือของเขาบางคนมาแต่งตัวเฟี้ยวๆมากับบางคนนี่เอาเลยนะโอ้โหดูสิหนิแต่งตัวอย่างกเกมาเลยไม่เอาไม่พบมพบเขาหน่อยเถอะ แม่เขาจะเป็นลิเกมาก็เถอะมันหลงโลงลิเกหลงโรงก็พบเขาหน่อยสัมผัสสัมพันธ์คุยกันบางคนนี่แหมพอถึงขี่บุรีมาหน่อยก็นี่สูบแล้วโอ้หมันมากไปอเอาเถอะก็คอยปะหล่อเขาจะสูบเล็กสูบน้อยก็อ่าก็อยว่าไปถึงเวลาที่ควรจะพูดเขาบอกว่ามันไม่ดีจริงๆแล้วนี่เราไม่จําเป็นต้องบอกเขาก็ได้ถ้าเผื่อว่าเขาคบพากับเขาไปพอสมควรแล้วเรามีวิธีพูดถึงหลักการหลักเกณฑ์หรือว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติ ถ้าคนดีเขารู้แล้วเขามาอีกต่อไปเขาเขามาอีกเขาสนใจไอ้แค่ภูมิมาทำแต่แค่ว่าเขาจะไม่สุบรีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปสู่ของเขาเองถ้าเขามาอีกนะแต่ถ้าคนที่มาสูบบุหรีแล้วก็คุยกับเราไปไม่รู้เรื่องมันไปสูบที่อื่นมันไม่มาอีกหรอกมันไม่มาอีกหรอกมันก็ไปสูบที่อื่นเนี่ยมันไม่มามันไม่ได้รสชาติอะไรมันไม่เห็นว่าจะต้องมาทําไมนะมันไม่มาหรอกภูมิมาทำของเขามันเข้าไม่ได้ หรือคนจะมาแต่งตรงแต่งตัวหรือคนจะมายิงเป็นอาบายาโมกต่างๆเข้ามามันเข้ามาไม่ติดหรอกเข้ามาที่นี่มันไม่มีเพื่อนเล่นอาบายาโมกมันก็มาบ้าอยู่คนเดียวมันอมั น, ม, น, ม, น, ม, นมีใครเขาเอาด้วยมันไม่หรอกนะถ้าแกนแกนของเรามากพอแล้วนะสิ่งเหล่านี้เข้ามาไม่ได้เข้ามาแล้วเขาก็ไม่ไม่ติดไม่อยู่แต่ถ้าแกนแกนของเราหลวมนะแล้วเราก็อนุโลมเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้เนี่ยที่เราทําว่าแร่ง ใครเขาเข้ามาต้องรีบนะอยากให้เข้ามานะเพราะของเรายังไม่แข็งถ้าไม่แข็งแล้วเนี่ยไอ้นวลเข้ามาไอ้นี่เข้ามาใจเราก็อ่อนๆแทนที่จะได้ควันบุหรี่เหม็นได้ควันบุหรี่จะตายห อ, อมเว้ย ม, มันก็เป็นอย่างนั้นไอ้นี่เข้ามาก็แต่งตัวสวยๆมาชื่นชมไปเคลิมมาอีกนะ ไม่แตะไม่ต้องเขาเข้ามาอีกน้อยเราก็เคลิมไปกับเขามันก็จะซึมซับเราก็จะต้องเลวเป๋วไปกับเขาตอนนี้อาตมาว่าแก่นของเราพอสมควรแล้วเพราะงั้นในเรื่องเขา อ, อ, อบายยมุกจับหยาบอะไรนี่ทีแต่ก่อนนี่เราแม่แข้งทักแข้ง เ, งเครียดตักเนี่ยเพราะที่นี่เราถึงอนุโลมลงไปว่าเอาเธอไม่เป็นไรศินหอบายยมุกให้มันหมดไปเท่านั้นเองไม่ต้องเอามาไว้ในนี้ส่วนจะไปข้างนอกกันเลยของเขาตอนนี้ที่สันติอโศกนั่นน่ ะ, นะตั้งชุมชนสันติอโศกอาตมาอนุโลมจงกระทั่งว่า สมาชิกนี่ทั่วประเทศนะสันติอาสโคนี่คือภาษาคํากลางๆเขาเรียกชาวอโศกนี่ชาวบ้านชาวเมืองในประเทศไทยเขาเรียกชาวอโศกว่าชาวสันติอโศกเราก็เอาชื่อนี้มาเรียกเป็นชุมชนสันติอโศกทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นสมาชิกสมทบเราแบ่งเป็นสมาชิกสมทบสมัครมาได้ทั่วประเทศไม่ใช่ว่าเอาแต่เฉพาะอยู่ที่กรุงเทพอยู่ ใ, ใกล้สันติอโศกไม่ใช่นะอันนี้เป็นวิธีการที่จะขยับขยายหรือว่าพยายามที่จะทำการประสานซ้อนอีกวิธีหนึ่ง ว่าอนุโลมเลยแม้แต่สมาชิกสมทบนี่นะขอให้ถือศีลห้าอย่างเดียวกินเนื้อสัตว์ก็เอาเขาอยากกินเนื้อสัตว์อยู่ก็เอาแต่ขอให้อบายย่งมงคลเขาไม่มีก็อย่างเดียวก็อพอนี่เป็นต้นอนุโลมไปถึงขนาดนั้นแล้วนะนี่บอกให้ทราบประเดี๋ยวก็จะไปแปดๆๆกับเขาอีกอ่าสมาชิากบาคนนี่ตัวนี้พวนี้ทำไมเนี่ยอยู่ตรโน้นนี่ยมันล่อเนื้อสัตว์ตรงเนี้ยเนี่ยไปทะเลาะกันอีกนะนะ มันยังมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือว่าจะต้องตกลงนะตอนปรึกษาฮะหรือตกลงกันทํากันอยู่มันยังไม่รวมกันเท่าไหร่อย่างที่ว่าเนี่ยโรคอัตตามานะมันอาตมาพูดจริงๆนะอาตมาใครจะไม่ยอมรับว่าตัวมีอัตตามานะนี่ก็ไม่ยอมเพราะนั่นแหะอาตมาขอยืนยันว่ามีกันคนละมากคนละน้อยอยู่ในตัวกันทั้งนั้นนะตอนนี้มันเป็นสงครามตัวนี้กันอยู่ทุกคนทําดีทุกคนหวังดีแล้วมันก็หลงดีอวดดียึดดีถือดีกัน แล้วมันก็ลบากเพราะงั้นก็ค่อยหาโอกาสหาเวลามาปรึกษาหาหรือพยายามลดตัวลดตนลดตัวเแล้วก็พยายามใช้ปัญญาถ้าเราถอดตัวถอดตนได้ใช้ปัญญาอย่างสะอาดสะอาดมาพูดกันแล้วมันจะได้สัจจะมันจะได้ข้อดีถ้าเรากิเลสเข้าตาแล้วว่ากิเลสมันลําเอียงมันอยู่ในใจแล้วมันพูดก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันมันเอียงตัดสินอะไรก็ยากมาพูดอะไรมันก็ไม่ยอมไปผสมภาสานอะไรกับใคร มันก็จะยึดอยู่แต่ไอ้ที่เรายึดนั่นแหละมันไม่มันไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงได้ก็เพราะว่าเราจะต้องเอาเนื้อหาหลายๆหัวไลๆคนไลๆความคิดเมื่อบวกผนวกกันแล้ววิจัยวิจารณ์กันออกมาเพราะเราไม่ใช่คนโง่คนเง่าอะไรนักหนาเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีไม่ดีอะไรก็ค่อยมาเอาออกมาสะสะกันเบิงเบิงนะก็เออเนี่ยอันใดมันพ่อเข่ากันได้อัมันพ่อจับมาผสมประสานกันได้ นะมาสะกันมนไม่ใช่ว่าต่างคนต่างของกูของกูเลยไม่ถูกเห็นของใครกันพอดีเลยมันก็เลยไม่ได้เรื่องมันม่ไเป็นอะไรเราก็กระจายออกมาพูดกันออกมามีอะไรก็ว่ากันไปออกมาให้มันจริงจริงใจเสร็จแล้วได้รู้ของเหล่านี้แล้วก็มาดูกันอะไรอะไรมันผสมภาษากันได้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างนั้นน่ะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเองสรุปกันได้เป็นมติกันได้แล้วทํากันไปนะก็คิดว่าทุกคนคงจะ พอได้กำลังอะไรขึ้นมาบ้างมั้งเนี่ยไอ้ที่ท้ อ, ทอแลว้วก็คงจะไม่ถึงถอยใช่มอ่าก็กระเถบขึ้นมาอ่ามันไม่น่าท้อหรอกที่จริงอาตมาขั้นนาดเทศกับพวกชาวสันติอโศกมาฟังทมวันฤทธิ์เนี่ยอาตมายัางเทพถึงขั้นว่าคนเรานี่นะถ้าเชื่อกรรม เชื่อ ก, กรรมว่าคนเรานี่มีกรรมมีวิบากเกิดมาแล้วไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติถ้าอย่างที่อาตมาพาธรรมนี่นะมันดีขอสักชาติหนึ่งได้ไหมแม้แต่อาตมาบอกว่านี่โล ก, กุตระไปอย่างเงี้ดีอยังงี้นะมีโล ก, กุตระมาลองรู้สิโล ก, กุตระนี่จะดีไหมขอสักชาตินึ่งเถอะถ้ามาชาตินี้แล้วไม่ต้องห่วงรอกชาติหน้าชาติหน้าคุณเข็ดขี้อ่อนขี้แก่แล้วโล ก, กุตระ ไปเลยไปเลยคุณมันต้องได้แน่โลกิยาเน่ยไปเลยคุณจะอยู่อีกกี่ชาติก็ไปเถอะเพราะโลกิยามันก็หมุนเวียนอยู่ในโลกิยาเองนะนับนานับชาติมันไม่ไปไหนหรอกมันไม่มีนิพพานไม่มีปริพานหรอกมันอยู่อย่างนั้นแนะคุณไปเลยเอาเลยเพราะไหนไหนเี่ยวัตถามาบอกว่าไม่ไม่มีใครมาเผยแผ่โล ก, กุตระเท่าอัตมารหรอกอัตมาเผยแผ่โล ก, กุตระเนี่ท่าทายไม่สุดขอสักชาตินึงก่อนเถอะลองสักชาติเถอะเอาเล้เต็มเ็มเลยเต็มที่ให้มันลูดําลูดแดงกันทันที สักชาติถ้ารู้แล้วว่าโอ้โหมักพ้นโลกโลกุตระเป็นอย่างนี้เหรอฮ่าไปไว้ไม่ต้องกลัวมีเพื่อนเยอะไปได้เลยไปได้เลยสบายสบายไม่ยากไม่เย็นเลยแต่มาทางนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมนี่มันยังยากนะเอาสักชาติเถอะลองดูจะติดไม่ติดยังไม่รู้เลยนะี่อตาตมายังไม่แน่ใจกับพวกคุณหรอกว่าจะติดไม่ติดไม่รู้เนี่ยโลกุตระเนี่ยแต่ลองดูก็สักชาติเถอะ ถ้าติดได้อัตมาก็ว่าอัตมาก็คิดว่าจะได้พักได้พวกมัง่งแต่ถ้าไม่ติดก็ก็ไม่ติดเนาะก็ลงไปหาโลกีย่างเก่าถ้าคุณเชื่อว่ามันจะวนเวียนเกิด น, นับชาติกันไม่ทวนนี่มันก็เป็นอย่างนี้อัตมาว่าอัตมาพูดอย่างงี้จะเข้าใจกันแล้วนะเพราะอย่าไปเป็นประลระเลยเลยแล้วก็ไม่แน่อีกอัตมาขอเตือน มีบาดอกุศนเนี่ยมันหมาไล่เนื้อนะมันวิ่งตามตายปุ๊บนี่นะมันง่าปั๊บนี่นะไปเลยนี่มันลากไปลงไหนก็ไม่รู้นี่จะได้มาเกิดที่นี่อีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยประมาทว่าโอ๊ยนี่ยังเวลายังหนุ่มยังสาวยังนุ่นยังนี่ไอที่ตายตายก็นเลหนุ่มหนุ่มสาวสาวทั้นนั้นในลูกคุณชวนตายนี่อายุ30กว่าเนี่ยพ่ออหัวล้านเม่งเลยยังไม่ตายเลยแต่ลูกไปก่อนแล้วเจตศรีสุธีลูกชายเพิ่งตายรถชน เพิ่งทาศพไปเมื่อไม่นานมกี่วันเนี่ยลูกชาคนโตอายุส6อสาเกิดศูสตายสี่ศมับเลยเกิดศูนสี่ตายสี่ศแมปสบหปีมันไม่แน่เราจะบอกว่าเราอายุยังน้อยยังหนุ่มยังแน่นแมผมยังดำพระเจ้าก็เตือนหมด เนื้อหนังเรายังไม่เหี่ยวไม่ย่นเราผมยังนํ้ำมันไม่แน่มัน พ, พยายามภาคเพี่ยนเข้าตายแล้วจะมาไม่ใช่ขู่กรรมวิบากเราไม่รู้หมาไล่เนื้อมันจะไล่งาบดึงลงเราไปเอาท่วงนี้ก่อนแล้วจะวนเวียนมาอีกเนี่ยโอ้โหอีกนานชะมันงาบไม่ทันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันได้มาพบมาเจอมาปักมากแล้วเนี่ยตอนนี้นอ น, นวิ่งกวดแบบปแบบแบบแบบแบบเนี่ยมันยังไม่ทันตอนนี้ได้เกิดมาตรง น, นี้แล้วเนี่ยเหมือนกับเราขึ้นมาอยู่บน บนคือบนที่ปลอดภัยนิดนึงแล้วมาเกิดแล้วถ้าตายไปแล้วทีนี้เราบวกลบคูณหายเงีอีกหาไรเนื้อกลลงมาปั๊บในนี้อีกเสร็จแล้วทิศแรงมหาไรเนือ้อมันมากนะมันดึงไปง่ายนะเพราะงั้นอย่าไปประมาทอ่ะอะละอัตมาร์คิดว่าได้พูดได้บอกอะไรอะไรแกพวกเราเพื่อที่จะให้เกิดพลังพลวัตปัจจัยในการที่จะดําเนินชีวิตไปให้มันจเจริญอให้มันดีงามขึ้นต่อไปก็ คิดว่าพอสมควรเก็บเวลา